หัวข้อทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจความจริงเกี่ยวกับวิธีดับทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นชไหนะคือมักมีองค์8ดอันประเสริฐได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติ สัมมาสมาธิก็สัมมาทิฐิเป็นไนความรู้ในทุกความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขนิโรธความรู้ในทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฐิสัมมาสังกัปปะเป็นไนความดมฤตในการออกจากกามความดาฤตในความไม่พยาบาทความดาริในอันไม่เบียดเบียนอันนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาเป็นไนการงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้ออันนี้เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากรัมรมันตะเป็นไนการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์การงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในการมอันนี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะเป็นไนอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ละการเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงชีพที่ชอบอันนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้เกิดฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อมิให้อกุศละธรรมอัลามกที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้น เพื่อละอกุศลละธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วเพื่อให้กุศลละธรรมที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นเพื่อความตั้งอยู่ไม่เลื่อนหายเจริญยิ่งภัยบูรมีขึ้นเต็มเปี่ยมแห่งกุศลละธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วอันนี้เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่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 แต่วิเวกอยู่เธอบรรลุทุติยะฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกภุดขึ้นเพราะวิตกวิจารณ์สงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่เธอมีอุเบกขามีสติมีสัมปัช ญ, ญะสวยสุขด้วยกายเพราะปิติสิ้นไปบรรลุตติยะฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอบรรลุจตุตตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ระดับโสมนัตโทมนัตนก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่อันนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขนิโรธค า, ามินีปฏิปทาอริยสัจ ดังพิจารนามาชะนี้ภิกษุย่อมเฝ้าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในอยู่บ้างหมายเหตุธรรมในที่นี้คือธรรมะนะครับเฝ้าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกอยู่บ้างเฝ้าพิจารณาเห็นธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่บ้างเฝ้าพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างเฝ้าพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรมอยู่บ้างเฝ้าพิจารณาเห็นธรรม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 ได้แก่นิวรณห้าอุปาทานขันห้าอายตนะหกพชนชงเจ็ดและอริยสัจสี่อยู่เสมอ